องค์ฝยบัรปชิตและกฤหัตวันนี้เป็นวันธรรมสนะเพื่อนทิพยาคัมเป็นห้าพุทธบริษัททั้งหลายก็พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญทานสิณภาวนาเป็นต้นนเมื่อบาเพ็ญทานสิณภาวนาแล้วก็มีการรักษาอุโบสถชน์หนอดมัรคล ธรรมสวรรคฟังธรรมเทศนาตามการเวลาที่กำหนดไว้เรียกว่าฟังเทศฟังธรรมในวันพระในเส้าอุโบโสถปสินในวันพระในคืนหนึ่งวันหนึ่งในเวลาวันนี้ถือว่าชาวพุทธส า, าสนิกอุบาสกปฏติกาทั้งหลายใกล้ธรรมจะเวน้นเสียไม่ได้กวนพระ มาบำเพ็ญทานทุนนิพพานาก็พร้อมในองค์คุณของสินสมาธิปัญญาก็จเจริญจะกรรมฐ า, านเป็นการครอบคลุมถึงสนญญ<ม>ินสมาธิปัญญาการเจริญสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาก็ต้องการให้เรามีสิลมั่นคง การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาต้องการให้เรามีสมาธิทำให้จิตให้มัน่นคงทำให้จิตเข้มแข็งอดทนการเจริญสมาธิบาเพ็ญจิตภาวนาต้องการให้เรามีปัญญาต้องการจะรอบรูใ้ในกองการทั้งขานจะได้อ่านออกบอกได้ใช้เป็นจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตได้ ครอบคลุมไปหมดมทั้งศีลสมาธิปัญญาก็คือการเจริญธรรมกรรมฐานแต่การปฏิบัติกรรมฐานก็เรียกให้สัน้นขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเราจะมีศีลได้จะมีสมาธิได้จะมีปัญญาได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทั้งนะั้นใช่เรามาในปฏิบัติธรรมแล้วนะ่ะจะไม่มีศีลไม่จะไปรับกับพระ วัดไหนไว้อ็ได้รับแล้วก็ไม่มีศีลทำรับแล้วก็ไปทําบาปทํากรรมฆ่าช า, าติชีวิตรับแล้วก็ไปล่วงประเวณีแล้วก็เบียดเบียงทรัพย์ไม่ถื่อฉันโดดมากน้อยแต่ประการใดรับแล้วก็ไปหลอกลวงโลกหวังเอาราบฮะโกหกหมดเท็ดแถมไปพูดเท็จสอเสียคําหยาบและเพื่อเจอในสังคมต่อไป รับแนก็ยังต้องไปเดินสุลายาเมาเล่นอบายมุขหาความสนุกการพนันเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่ารับสูงแต่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแน่การที่เราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเน่ฆมาปฏิบัตินั้นก็ต้องการบำเพ็ญประโยชน์ของตนต้องการจะทราบหัวใจพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนพระพุทธศาสนามีหัวใจไหม คนเราก็ต้องมีหัวใจด้วยกันจะเป็นหญิงก็มีหัวใจจะเป็นชายก็มีหัวใจจะเป็นเด็กก็มีหัวใจจะเป็นผู้ใหญ่ก็มีหัวใจทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่ว่าไม่มีหัวใจเด็กเล็กๆน้น้อยล้วจะไปดูไปด่าเขาเขาก็โกรธเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเราเป็นหนุ่มเป็นสาวใครมาว่าก็ไม่พอใจก็เราก็มีหัวใจเหมือนกัน เราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมาดามาว่า พ, พ่อแม่ก็มีหัวใจพ่อแม่จะด่าลูกว่าลูกยังไงลูกก็ต้องมีหัวใจทั้งนั้นพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระจ้ำมาถึงอย่เจ้าก็ต้องมีหัวใจการปฏิบัติจเจริญสัตวรรมานั้นต้องการจะทาที่จิตใจทำที่หัวใจประสาทศาสนา คือถึงธรมาทิ่ปัญญาทมที่จุดมุ่งหมายแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าหัวใจญาติโยมหญิงโยมชายจะเป็นที่สุขสมณะเถระหรือพระภุใหญ่พระผู้น้อยนาวากาะก็ต้องมีหัวใจแต่การที่มีหัวใจนั้นก็เรียกว่านามธรรมาเพราะมีสติปัญญาด้วยโลกประธรรมเพราะโลกตายก็มีธรรมะ นามะต า, ายก็มีธรรมะนามก็มีธรรมะเรียกว่านา ม, มาธรรมก็มีทั้งรูปมีทั้งนามขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์รวมความว่าย่อใจความก็คือขันห้ารูปนามนั่นเองก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแต่แล้วเราก็ไม่เข้าใจในการปฏิบตัติก็มานั่งหลับหูหลับตากันทนนั้นั้นมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งชี้แจงกัน นั่งบุญบนเพลเลรมเปรียรปร้ยวเ ร, เรยโดยคนเคี่ยวทุกวาระโอกาสแล้วก็ลากลับบ้านไปอันจะไม่ได้หัวใจพระศาสนาติดตัวไปท่านก็เป็นคนมีหัวใจเป็นสาวก็มีหัวใจเป็นหนุ่มก็มีหัวใจเป็นคนแก่ผู้สูงอายุก็มีหัวใจด้วยกันไม่มีใครเลยว่าไม่มีหูวใจเด็กมันก็มีหูวใจจังนะลองไปด่าไปว่ามันก็โกรธนั่งว่าผู้ใหญ่ว่า เด็กไปล้มลุกทุกครานตกกันใด้อดาลูกดาหลานว่าสุ่มซามเซ่อเซ อ, เซอล้มลุกทุกครานไม่อยู่ดูเนื้อดูไตผู้ใหญ่ล้มบัก็ตองว่าตัวเองว่าแหมใครมาทําให้ลืมเคราะไม่ดีเลยวันนี้ล้มไปแต่ถ้าเด็กว่าสุมาม่มซ้ำ ไม่เด้ดูเหนือดูใต้จะประการได้ล้มคลุกคลุกครานเตะแก้วแตกเตะชามแตกแต่ผู้ใหญ่เตะชามเตะแก้วแตกก็ถือว่าแหมใครมาวางขวางทางนี่แหละผู้ใหญ่ก็มีหัวใจแบบนั้นเด็กก็มีหัวใจแบบนี้พระพุทธศาสนาขององค์ทุมเด็ดจตั้มาทุมเด็เจ้าก็ต้องมีลูกธรรมนามาท ำ, ม, าทำมีหัวใจทางนั้น แต่หัวใจพระพุทธศาสนานั้นได้กจะอะไรที่เรามาเจริญสักกรระฐานเนี่ยเราจะรู้จักว่ารนะูปธรรมนามธรรมหัวใจเป็นอย่างไรในศาสนาคำว่าหัวใจในที่นี้หมายถึงอะไรส่วนสําคัญแห่งของต่างๆหัวใจพระพุทธศาสนาก็หมายถึงคําสั่งสอนที่เป็นส่วนสําคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองแต่เราก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง ไม่ได้สนใจแต่ประการใดไปสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นลาวจะนั่งหลับตาเอายานที่พกเหนมากันมากมายเสียใจ ว, ยว่าวัดนี้นั่งกรรมฐานไม่ได้ายานสอนยานไม่เป็นสอนโสรถไม่ได้แต่แล้วก็ครูก็ไม่มีความรู้คือวัดอัมพวัน แต่ก็น่าเสียใจว่าท่านรู้ไหมว่าอดีตชาติเป็นอะไรกดแทงกรรมเป็นอะไรรู้กดแทงกรรมไม่รู้การแก้ปัญหา ไ, หมไม่รู้แต่มดาแล้วว่าสอนตำตักเขาไปที่วัดโ น, น้นไปกรุงเทพมาไปนัางเขาได้ยานที่ผมสแสดงความดีใจก็โยมที่ได้ยานที่ผมมาแต่อยากจะรู้ว่าตรงนี้อะไรเกิดขึ้นมั้รู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ยังไงตรงนี้น่าจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ คือหัวใจศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะั้นเป็นหัวใจคำสั่งคืออะไรคือวินยัยคำสอนคือธรรมะก็เรียกว่าธรรมะวินยนะัยเนี่ยเป็นหัวใจอันสำคัญน่าจะมีความเข้าใจว่าหัวใจศาสนาอยู่ตรงไหนประการใดก็ไม่ทราบไม่รู้นั่นเอง เลยก็มานั่งวิปัสสนาเอาญาณที่พกเป็นะโสดาบันจะบวชเป็นแมชิลิจะเป็นพระก็เป็นโสดาบันเป็นคนที่หมดทุกท้นทุกแล้วเป็นะโสดาต่อไปก็จะเป็นพระละหัน์หมดทุกหมดห่วงหมดใหญ่ก็ขออนุมโมทนาแต่ท่านด้ว ย, ยดิฎสเร็จโสดาได้โสลดญาณที่พกที่ไปนั่งที่ที่บ้านที่วัดโน้นมาขออนุมโมทนาด้วย แตมายังไม่ได้ชักนยานแต่ก็นางได้แค่สามละการสั้นๆคือระลึกเหตดการณ์ชุดรู้กฎแห่งกรรมว่าเราทํากรรมอะไรปัญหาเกิดขึ้นแก่อย่างไรเท่านี้เรารู้ชั้นปฐมไม่เดียเหมือนอย่างท่านรู้ถึงมัชยมรู้ถึงยานที่หกโสโลสิยาสามวันอธิบายยานเลยนั่งกันสามวันได้ยานและเราต่างคนต่างถามพระอาจารย์ว่าฉันได้ยานอะไร ยานสูงหรือยานต่ำถามพอดีอาจารย์ก็ชี่ยวชาญก็บอกว่าเนะีนคุณนะได้ยานที่6กแล้วสอนแะับแน่พ่งนี้ฟังเทียอันดับยานได้พ่กนี้มีวิทยากรจะมาอาธิบายเรื่องเรื่องระดับยานก็ข อ, ขอโมทนาด้วยแต่ตมายังไม่ได้เชี่ยยานสอนมาสี่สิบปีแนละ้วยังไม่แม่แม่แมยานเดียวยังไม่ได้ แต่ละลึเลกเหตุการณ์ทีเรารถมันจะชนคอหักวันที่สิบสี่ตุลาก็รู้รู้ชั้นต่ำมันเหมือนโยมรู้ถึงยานที่พกเช่นอย่างกล่าวปัญหาเกิดขึ้นน่าจะแก้ไขปัญหาปัจจุบันไนดะ้อดีตไม่ต้องไปแก้อนาคตไม่ต้องไปปลารถมันยังไม่ถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วไม่น่าจะปลารบให้มันเสียเวลาการควรจะปลารถปัจจุบันขณะ น, นี้ควรจะทาอะไรบ้าง ควรจะไล่เสร็จตรงไหนอย่างไรน่าจะคิดตรงนี้ให้มากตามคําสอนของพุทธเจา้าคือหัวใจประสาทนาทุกคนไม่รู้จักหัวใจอัตมาจะเรียนถามโยมที่นี่ว่าหัวใจศาสนาคืออะไรแปลว่าอะไรไมรีอย่างไงบ้างก็เล็กคิดเล็กในใจไปคงจะตอบไม่ถูกกันทุกคนจะตอบกันไปอย่างโน้ยอย่างนี้ก็จะถูกแบกบกำปั้นทุบดินเท่านั้น แต่จะถูกตามตรูดมุ่งหมายและเป้าหมายตามประความประสงค์นั้นคงไม่ได้ก็แทนจะยากมากน่าจะมีความเข้าใจาในเรื่องนี้ให้มากการจเจริญกรรมาฐานต้องการจะแก้กรรมด้วยว่าเราทำกรรมเคยฆ่าสัตว์มาไหมจิตมันจะบอกว่าเคยฆ่าสัตว์ไอ้ติตที่เรารวมไว้มันจะบอกด้วยสัมผชาน ญ, ญา ว, ว่าเคยไปรักสตังเข้ามารักสตังพ่อแม่ ตื่นส ม, มัญญาตัวจมุ่งหมายของหูใจมันก็จะบอกว่าเคยด่าพ่อแม่เคยเถียงพ่อแม่เคยไหมสำเน็คฉัญญามันก็จะบอกแจ้งแก่ใจเป็นปัจจิตตังให้เราทราบได้อย่างนี้เราเคยอยู่โรงเรียนไหนมาเป็นเด็กอนุบาลอาจจะทําช้าพ้นงานสร้างบาปข้าศัตร์ข่าจริงเดือนจรงคือข่าจริงฤก มีมั่งไหมทุบหัวแมงดาผักหักก้ามปูกําลังเป็นมีมั่งไหมสตินี้มันจะบอกทุกเวลาการว่าเราสร้างเวงกรรมจะต้องรับกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น่าจะรู้ตรงนี้ก่อนพาไปรู้ญาณที่พุทธเอางี้มาสองวันนี้มีคนมาถามบอกว่าร้องพ่อครับฉันได้ญาณอะไรบอกก็ไม่ทราบอาจารมาไปถามโน่นไปถามก็ที่ภาคปฏิบัติ เขาจะบอกได้ไมั้แต่ตามาบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัมมาไม่ใ้ยานจึงบอกไม่ได้ได้แค่นี้เองมาถามแค่นี้จะตอบแค่ตอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติยานไม่ได้ยานอะไรเลยได้ว า, าลลึกชาติเป็นชีวิตได้แล้วก็แก้กรรมได้ไหมกรรมมาซั์เราในวันทุกนี้จะแก้อย่างไรในเมื่อเราปลุกเวนปูุกกรรมเจ้ากรรมในเวนเจ้าเวนในกรรมวะ เราควรจะโหสิกรรมตรงไหนน่าจะรู้ตรงนี้ก่อนแต่ท่านก็กลับกลายไม่รู้กลับไปรู้สิ่งที่ไล่ส า, าระไล่เหตุผลและท่านจะไปหาผีเก้าเจ้าทรงและไปหาหม้อดูไปแก้กรรมได้หรือประธานได้น่าจะรู้หัวใจประสาทศสนาคนไหนทำกรรมคนนั้นตกแต่คนไหนขยิมเงินเข้ามาต้องไปใช้เองวานคนอื่นไปใช้แทนคงจะไม่ได้แนะ่ไม่มีใครเขาเห็นด้วย เราขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งก็ไปวานเพื่อนบอกรืใช้แทนอ้วหน่อยเนี่ยช้ยแทนอัวหน่อยที่เขา ย, ยืมเข้ามาเพื่อนคนไหนบ้างที่จะใช้ด่าีกเราไปกู้เข้ามาหลายเจ้าแล้วให้เพื่อนไปใช้ตามตามใช้เป็นชายแทงการจะได้ไหมก็น่าคิดถ้ายมได้ยานที่โผล่้นจะได้เนี่ยแต่แตม้าไม่ได้ก็ไปใช้เองเพราะเราไปขอยืมเข้ามาก็ต้องไปใช้เขาเอง ยัยคนอื่นเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีทางจะใช้แทนเราได้แต่แทนเราได้ทุกคนก็มีทางแต่เดียวไม่ต้องไปกินข้าวให้เมื่อยปากให้คนอื่นกินแทนเราให้หน้านอนอิ่มยิ้มอยู่ก็ใช้ด้าถ้าเป็นได้เช่นนั้นก็เอาแต่หลายเอยทำงานด้วยความเหนื่อยยากด้วกันทุกคนไม่มีท่านผู้ใดที่ว่าไม่เหนื่อยไม่ยากไม่ลาบากลำเกินใจ ก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีความสุขเลยแต่ความสุขนั้นน่มันจะได้มาจากความทุกข์แน่เราผ่านทุกข์มามากแล้วอุดมการก็เกิดผลจะได้อานิสงส์ในความสุขว่าเราได้มีความสุขแท้จริงด้วยผ่านทุกข์ทั้งนั้นเหมือนเราไปเกี่ยวข้าวสักสามไร่มีนาอยู่สามไร่เกี่ยวไปหยุดไปแล้วก็ไม่เกี่ยวมันก็ไม่เสร็จเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยยากเกี่ยวจนเหนื่อย เออทนทุกข์ก็ทรมาต้องขันติธรรมเลยเกี่ยวไปเหนื่อยทั้งวันเสร็จสามละ่พะพอเสร็จแล้วมันนั่งสบายตอนเกี่ยวนี่มันเหนื่อยเลือเกินแทบจะหยุดแทบจะเลิกไปเมื่อยหลังเลือกเกินนี่ยกตัวอย่างให้เห็นแต่เกี่ยวเสร็จแล้วมันม น, นั่งพักเดี๋ยวเดียวกว็าหายก็แสดงว่าเราเสร็จพลันทันเวลาตามกำหนดที่ตั้งใจไว้ทุกประการ แต่เกี่ยวข้าวมีไหมที่ไม่ต้องเหนื่อยเกี่ยวไม่เหนื่อยมีไหมไม่มีเลยต้องอดทนเพราะฉะนั้นพี่ น, อน้องที่ละเรามาสร้างความดีนี้ต้องมีอุปสรรคแต่เรามานั่งกรรมฐานต้องมีอุปสรรคคือเวทนาปวดเมื่อยทนไม่ไหวเลิกตรงนี้ระหะวังปวดเมื่อยเลิกฟุง้งซ่านเลิกนั่งมาสบายใจเลิก ถ้าอย่างนี้ท่านจะไม่ได่าอะไรติดตัวไปท่านไม่มีอุดมการสร้างความดีต้องมีอุปสรรคสร้างความดีต้องลงทุนความละบากปวดเมื่อยต้องกาหนดปวดหนอปวดหนอแต่เราก็ไม่ไม่กาหนดเลิกหรือจะไปคุยกันไปนั่งคดยท่าความหลังกันมากมายโยมจะไม่ได่าลายกลับบ้านเสียดายเวลาที่หมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ แถมไม่ได้ไล่ติดตัวไปด้วยขอฝากอย่างต่างจะได้หลายบ้างบางคนมาบอกปวดขาจะตายกลับไปก็ยังปวดต่อไปแถมไปโลกมะเร็งกระดูกอีกไม่ใช่นาคิดน่าจะกําหนดให้ได้ศึกษามัญหาแรก้กรรมจากการกระทําที่ไปทํากระดูกเขาแตกไปยังนี้เป็นตอนนาจะคิดได้แต่ก็คิดไม่ถึงเพราะทําทไม่ถึงขั้นดันไม่ถึงที่ทําความดีไม่ถึงขั้น มันก็ไม่ได่าอะไรได่าจะสิ่งที่ไร้สาระขอฝากใจโยมทุกคนสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากเนะสร้างความชั่วชอบลงทุนความสบายตมาพูดมานานหลายสิบปีแล้วไม่มีใครฟังชอบสบายไม่ชอบไปเกี่ยวข้าวไม่ชอบไปตากแดดชอบอยู่ในร่มลูกจะทํางานก็ขอให้นั่งเก้าอี้ไม่ต้องเป็นชาวเหมียนไม่ต้องเป็นพานโล ไม่ต้องตายขัานต้องนั่งเป็นหัวหน้ากองและเป็นอาธิบดีเลยเนี่ยทุกคนอยากให้ลูกสบายแต่ไม่นึกเลยว่าก่อนสบายมันต้องลำบากก่อนน่าจะคิดตีความว่าหูใจศาสนาต้องลำบากเนี่ยค่อยสบายเราจะเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นเด็กก่อนเอออาจจะเป็นเด็กวัาจิว๋วโคบียเป็นผู้ใหญ่ได้หรือแต่ทั้งหลาย ยังไม่มีอุดมการยังเป็นเด็กเล็กนะยังไม่รู้เดือนวันเดือนปีอันใดอาบนาร้นอนทีหลังเ้ามาแล้วก็จะไปเป็นผู้ใหญ่เป็นได้หรือประการใดมันก็ต้องเป็นด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงต้องประสบประการกับปัญหาก่อนแล้วค่อยเลื่อนสถานะหน้าที่ให้ใหญ่ขึ้นมาก่อนเราเคยเป็นเด็กเขาก็ด่า อาตมาเนี่ยวัยผุ้มเปียเขาก็ด่าดึงเปียเราหกล้มหกลุกเราก็นึกมาโทษไว้และมึงไม่ไว้ผุ้มเปียมันไปแล้วไปนี่มาดึงเปียกูล้มมาทำเพีงกันเองกูขึงนหนึ่งละเราไม่ช้าโตไปก็โกนเปียออกไปตามมันดับนี่แหละอืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้จะเป็นพ่อบ้านแม่เลือยงก็ไม่ได้ต้องเป็นลูกบ้านก่อน แล้วต่อไปเขาเป็นพอบานแม่เรือนอยางงี้ไม่เชิญแชร์เป็นย้าทุกประกาศบางคนไม่มีหุ่ใจเหมือนคนไม่มีสติไม่มีสตาตางเหมือนไอ้ทศกัณ์มันไม่มีหั่ใจมันหู่ใจไปฝากเลอสีมันถึงเป็นเช่นนี้หละหนอแตทั้งหลายโปรดคิดหุใจศาสนามีบ้างไหมท่านมีหัวใจอะไรเอาหัใจอะไรมาสาั่ ขอฝากเอาทุกคนเอาหัวใจอะไรมาใส่เอาใจยักษ์หรือใจมารเอาใจอะไรเอาใจยักษ์หรือใจมารหรืออาใจลักลามหรืออาใจพระอภัยมณีหรือเอาหัวใจพระสังทองหรือเอาหัวใจนางพันธรักษณ์หรือเอาหัวใจเท้ากระโตขนตันเลือกดูเอาเองนี่แหละเลือกเอาหัวใจแต่ธรรมาคิดว่าหัวใจศาสนา เอาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรสัตดดาธรรมาริจักข์เอามาไว้ในจิตใจของเราได้ไหมไม่มีเลยถ้ า, าไว้ได้โยมจะเป็นนักปราชญ์จะไปตามขั้นตอนจะยากไอยังไงก็ต้องทนไม่อุดมการร้อนก็ทนหนาวก็ทนตลอดรายการทำงานไม่เคยเหนื่อยยากลำบากละำเก็นใจ ก่ะพระเจ้าจะต้องต่อสู้ไปจนชีวิตธรรมนี่สิมีหัวใจอดทอนแต่เราก็ไม่มีหัวใจ ก, การเจริญกรรมฐานเนื้ควบคุมในภาพปฏิบัติมากการปฏิบัติให้เราเห็นชัดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนเรียกว่าหัวใจวันนี้จะชี้แจงแสดงให้ท่านเขา้าใจถึงเหตุผลในหัวใจในศาสนานี้ขอให้พี่น้องพุทธ บ, บริษัททั้งหลายรดตั้งใจฟัง หัวใจสาวใจเด็กได้ใจผู้ใหญ่กันเนี่จเจ้จยายักใจยักใจมารหน้ายากักหน้ามารซื้อดีกว่ามารร้ายมารซื้อคือพี่เพรโผลาสติตวนันนี้หัวใจศาสนาไม่จับมารอะไรนะ่จะซื้อเขาพี่เพโหลลาอยู่ในสุวรรณลาธมาซื้อสัตว์เป็นยักษ์ไม่มีเขี่ยว แต่อายักษ์ทศการสิบเสียงสิบยี่สิบกรบทชัยจรในสนามยุทธนามันไม่มีหุ้ใจไอ้คนไม่มีหุ้ใจนี่มันเลวร้ายเหลือเกินมันเป็นยักษ์มารไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไม่ไม่รู้ว่าลูกหรือพ่อไม่รู้ว่าหลานหรือลุงไม่รู้นั่งเบญกายเน่ะแรงไปชิดาไม่รู้ว่าหลานนี้หรือลุง ตรงนางตรงเท่งนี่เนี่ยไอ้คนไม่มีหุ่ใจร้ยายกาจยิ่งกว่ายักษ์มานการเจริญกรรมฐานเมื่อก่อนนี้เราเป็นยักษ์เคยทะเลาะกันกับผัวเมียผัวเมียทะเลาะกันเป็นยักษ์แล้วเขามานั่งเจริญกรรมฐานยักษ์มันก็หายไปมานก็หายไปเหลือแต่มานชื่อคือพิเพกมีจัตติสัมปชัญญะ สติสัมปัญญามีกับบ้านใครกับบุคคลใดบ้านนั้นเป็นมารชอือพีืพ่อพิเกหมอเอกอยู่ในสุวรรณนสนระาคือตัวหุตใจศาสนาได้แก่สติสัมปัญญานั่นเองนี่แหละมารชื่อคือพี่เพกโปรดจำไว้มารลายก็คือตัวมาร ต้องไปจนมานตลอดในการเลวมากมานปากล้างมานปากจูมานที่เป็นครูเลวไล่ในช่งโขครูแบบอย่างที่เลวให้กับลูกทําไม่ถูกให้กับหลานเลวไล่ในส่องคมต่อไปไปที่หน้าสุดายมากขอจเจริญพรอย่างอย่าเป็นตัวมานโปรดให้เป็นมานชื่อคือเพ่เพ่โหราตัวสติกําหนดไม่ดับ มากเราก็เป็นมารเป็นยักษ์เดียกันทุกคนยักษ์เอลยักษ์ลายยักษ์เหนือยักษ์ตายักษ์ยอยักษ์ยอกยอักนายถ้าหากว่าเราหมดมารละเป็นผู้ซื่อใจซื่อมือสะอาดทำไรเฉียดขาดเป็นธรรมแล้วมารก็หายว่าไปกลับตายักที่อยู่นนในจิตใจก็หายไปจากมารจิตใจเลวร้วายก็หายวับไปกับตาเจา้าตัวหลัก ตัวเราก็มีจิตเป็นกุศลผลบุญก็เกิดศีนสมาธิปัญญาในหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือกรรมฐานนั่นเองอันสาทุชนทั้งหลายโปรดได้ทิดตัวนี้คือกรรมฐานทั้งหมดโปรดได้ตั้งใจฟังว่ามารเืคือหัวใจอันใดนที่ในพระศาสนามีความสําคัญตรงไหนบ้างโปรดติดตามฟังศึกไปณนะโอกาสบบบ น, นี้ ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณนะโอกาสบนี้ตอนนี้ไปก็จะชี้ช่องบอกทางชสันช้นๆคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีถึงแปดมืม่นสี่พันมาจำมาขันยากที่เราจะเจรณายในการผ้าปฏิบัติได้เราก็มาย่ อ, อใจความตามที่พระองค์ทรงสอนมาได้กัสิงสมาธิปัญญาเรียกว่าอะไร เรียกว่าตรสกขาสามตริกขาสามเรียกว่าะารเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าศีลคือต้องปฏิบัติเป็นข้อแรกแปลว่าปกติมีสติสมัมภิชญญะควบคุมจิตไว้ได้ตัวเราก็ปกติเดินยืนเดินนังน่งนอนเหลียวซ้ายหละขวาคู้ยศิขาสวยน่ารัก คนที่ผดเล็กผกลุกผกหน้าไม่ปกติวาจาก็ไม่ปกติพูดจาไม่เอาเหนอเอาตะกิริยามารยาทไล่เหตุผลสวยหน้าเกลียดไม่เหย่าสวยน่ารักเขาในหลักว่าหญิงที่น่าเกลียดคือหญิงที่ตามใจตัวผู้ชายที่น่ากลัวคือผู้ชายไม่รย้จักเกรงใจคนเข้าหลังนี่คือไม่ปกติคนบ้า คนบอคอแตกไม่ปกติคนที่มีสติดีธัมชญญาญิเยอะตื่นดีกับปกติจะสวยน่ารักจะยืนเดินนัง่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาขูดยาดขาสวยน่ารักเป็นหน้าอนุมโมทนาหน้านดีใจเห็นแล้วก็น่ารักหน้าพี่ลมรักเดินก็สวยพูดก็เพราะนั่งก็เหมาะเจาะ จะพริกแข้งพริกขาก็สวยไปหมดดูไม่น่าไม่มีทิฏฐิจะล้างถ้วยล้างชามก็ดูเหมาะเจอดไปหมดทําอะไรมันถูกแบบถูกบทมันก็หมดจอดเหมาะเจอดตลอดเลยกานี่สวยน่าลักนี่คือศีลถ้าไปรับกพร ะ, พะมาเลยยังไม่เอาไหนนั่นอีกถ้าท่านไม่ปฏิบททัติธรรมไม่มีโอกาสจะดีไดน้นี่หัวใจศาสานาข้อสําคัญยิ่ สมาธิคือมั่นใจต่อการงานและหน้าที่ไม่ขยันต่อการนอกการงานและหน้าที่ปัญญาก็จะบอกว่าแกไขอย่างไรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไงให้สวยจะปรับปรุงตัวเองไงให้มันดีจะปรับปรุงบ้านให้สวยสะอาดบางคนไม่ปกติไม่มีสินมันก็ไม่สวยไม่รวยบ้านช่องก็ปลอกส ก, กปรกที่กิงก็ไม่สะอาดส ก, กปรกที่แล้วไม่ล้างชาบ กินแล้วไม่ล้างช้อนเสื้อรงเด็ดเลยเราพุทธเจ้าจึงสอนชัาสองบอกล้างบาศะมั้งเนี่ยบาศะนี่อย่าให้สกปรกช่วยชาวโออาจานย์ช่วยกันล้างมังซีพระช่วยกันล้างน้อยอย่าไปให้ใครล้างกินแล้วเสื้อรงเลยถ้จะไปจ้างใครเข้ามาล้างฮะคงไม่ได้ขอฝากไว้ทุกทุกลูกนี่แหละเราพุทธเจ้าสอนชัดเจนนี่ทิ่กินสะอาดที่ถ่ายสะดวกออกมาอย่างนี้ การเจริญกรรมาฐานก็อย่างนี้เองสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหุ้ใจสําคัญเป็นทางไสยเอกที่พระพุทธเจ้าสอนมาชาัดเจนแล้วยืนเดินนั่งนอนตั้งสติยืนหนอห้าครั้งทําให้ได้แต่แต่ศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้ศีรษะเบื้องตามปลายผมลงปลายเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมานี่ปกติคนที่ขาดสติและชัญญะมันไม่ปกติจะเป็นคนบ้า คนบอคอแต่คำหามเหมิมเหิมปากลน้าขาแข็งเทียงพอเทียงแม่ทำไม่ตกฟ้าเทียงครูบาอาจารย์เทียงผู้สูงอายุแล้วเดินทางไปไหนสวนผู้อยู่จะเหยียบหัวคนเฒ่าคนแก่จะขอประทานทอดโภระภัยก็ทางไปไม่มีเลยนี่คือไม่มีหัวใจศาสนาเป็นคนมารไม่มารไม่แ ม, มใจมารชื่อเป็นมาร้ายคนมารร้ายเนี่ยไปไหนมองเห็นได้ชัดไม่มีมารยา ไม่เป็นชาติผู้ดีเขาจะไม่มีสิ่งทาในตัวของเขาเรียกว่ามารร้ายทำอะไรก็ไม่มีปกติมันเสียหายไปหมดทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดก็ตั้งคารวาดเดินเดิ น, เ ด, นเดินโครงกายมะลิงข้างต่างชนเดินโครงเป็นว่าวเหลียวซ้ายแลขวามะลิงข้างต่างชนเอาดีไม่ได่านี่มารร้ ไม่มีวใจัศาสนาแต่คนไหนมีวใจศาสนาเดินก็สวยรวยด้วยจะพูดจาก็เพลาะจะค้าขายก็มีคนอยากซื้ออยากซื้อจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายก็รักอยากจะลดราคาให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้ท่านสาธุชนพุทธบุรศาสาทั้งหลายเป็นความจริงหรือไม่คนที่พูดเพลาะ พูดมอเจาะพูดมีเนื้อมีน้ําแล้วนั้นจะซื้อของก็มีคนอยากขายให้แม่ค้าจา๋าขอประทานโทษค่ะเข้ามานี่ห่อละเท่าไรคะห่อละห้าบาทค่ะโอ้ยอร่อยมากสองห่อสิบสิบบาทได้ไหมห่อละห้าบาทสองห่อสิบบาทได้ไหมได้ซื้อเลยนี่พูดเพาะ หอให้มันเข้าท่าหอละห้าบาททิ่ฉันซื้อสองหอ่อค่ะสองห่อฉันห้าสิบบาทค่ะแม่ค้าเขาก็บอกขอบและคุณมากลุกสาวอุดหนุนเนี่ยมีผู้ใจศาสนาบางคนพูดแมเอาไหนเลยหำหามเหิมเหิมหนูยาที่ฟันคนกรีตมีไหมคะเราอุกสาวพูดเพราะแหละ ด, ดูอัิคะดูเสีในตู้น่ะมีไม่มีดูอันสิคะ นี่จะมาลายนี่หรือปกติคนไม่ปกติถึงพูดจาแบนแต่คนปกติแล้วโอ้ขอบละคุณมากค่ะมีทั้งขอนเกรดมีทั้งพิเศษนิยมมีทั้งยาเกลือไปเหนือลงใต้มีทุกชนิดไปถามข้าวขาดว่าขาดปั๊บเจ้าของเขาจะบอกขอประทานโทษเจ้าค่ะก็เนื่องจากว่ามาวานขายดีมาก ที่ลำปางเขาสั่งซื้อไปเป็นหลังๆนี่พูดให้มันเข้าท่าทีนะพูดให้มันเข้าท่าได้ไหมดูนาซีค้าในตู้เนี่ยมีตาดูใช่ไหมนี่หรือมารซื้อหรือมานราไม่มีหัวใจพูดจาไม่มีหัวใจเหมือนคนมีมีหน้ากรรมฐานไม่มีสติคนมานั่งกรรมฐานไม่มีสติเลยพ้องหนอฮะยกเนาะ แม่เชยชงเค็ดขาชั้นพองไม่ขึ้นก็หายใจยาวๆแท้ก็บอกเขาเด็ยาวแล้วมันไม่ออกพองมันค่อยพองพองหนอยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอพองแม่เชยชงคิดซอนใช่ไม่ได้เลยตั้งตำลาเองเลยพองยุบพองยุบพองยุบ ไม่หลายคนหายใจให้มันยาี่เจะคะให้มันกปกติคนหายใจสั้นเนี่ยค้นด่าเก่งคนใจร้อนดูหน้ารู้เลยหน้าน่ที่ยกับหมดคนท่าใจสัน้นใจร้อนโมโหง่ายแหมล้อหน่อยก็ด่าเลย น, นี่มีมาชีมานะเนี่ย หลอกพ่อหคะฉันได้ายานที่โผล ม, มาห้าวัดฉันไม่โกรธเลยนะนี่นี่แม่ชีฉันไม่โกรธหนะรอกแน่แล้วแม่ชีไม่มีทางฉันได้ายานที่โผล่เลยใครด่าที่ก็ไม่โกรธเลยเอาละพอบเผลอหน่อยอย่าชี้บ้าเรียบ้าเนี่ย ย, ยืนเลยน้อตายหลวงพ่อบ้าว่าฉันบ้าไอ้ขอจเจริญพรไม่ทีจา๋า ว่าไม่ทีว่าไม่โตดนะฉันโตดธทันทีไหนล่ะฉันไม่ชอบท่านเลยไม่มีไงยานศิบ <1 elle> ุกม <S grâce> ันแสงหน้านะ เอาละหนูอย่ามานั่งนานเลยแค่เจ็ดบังกลับมาจะจะมาอยู่ปีงจื่เหรอะถ้าอยู่ปีง น, นะกลับไปบ้านมีคนมาแทนนะเข้าใจคำนี้ไหมบอกคนมานั่งนานกลับไปมีคนแทนฉัเนียรู้มเนี้ยคุณเนี้ยรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยเอ๋อ ไม่ีใครรู้ก็ตามใจ่ะในเมือหญการเจริญกรรมฐานทำให้รู้จักผู้ใจพระพุทธศาสนาชัดเจนมากการปวดเนี่ยบางทีเนี่ยมีแต่ปัญหาโยมมานั่งเนี่ยมาแช่มาแก้ปัญหากันเนี่ยมาสร้างปัญหาแทๆบ่กคนกลับไปแล้วโทรมาบอกพ่อนั่งเจ็ดวันไม่ได้เลือไม่ได้เลี้ย อาตมาตอบไปนี่โทษศักด์อ้อโยมมันเอาเรื่องที่ไหนก็มาเนี่ยมานั่งเนี่ยมันนินทาครับมานินทาแม่ผัวตลอดเนเอาเรื่องเอาเราวอะไรเนี่ยมา น, นี่น่าจะตัดปัญหาปลงให้จกมาได้ไหมถ้าโยมมา น, นั่งนินทาแม่ผัวทำไมเนี่ไม่ใช่ไม่รู้จักโยมนะรู้จักดีเนี่ยไม่ต้องมาถามอาตมาเลยว่านั่งมาได้หรือตอบคําเดีย ว, เ, ยวเพราะโยมไม่เอาเรื่องเนี่ย มาตั้งแต่วันต้นแล้วอ่อแอกไม่ดีตั้งแต่วันต้นที่มาถามก็จมามาบอกว่าพ่อฉันก็มานั่งกุ้มใจมาแล้วนี่ว่ากุ้มใจแหละเรื่องแม่ผัวว่าแม่ผัวแหลกไปเลยแล้วต่อมาก็โมทนาด้วยโมทนาด้วยนะไมีลูกก็ขอให้ปากเก่งอย่างนี้ต่อไปก็ได้ด่าแม่ผัวต่อไปต่อไปให้ระวังแไปเป็นแม่ผัวเขาเลยลูกสะพ้ายมันจะด่าเธอมั เนี่ยอยมาน้กากรรมฐานมารสร้างปัญหาไปเนี่ยจะอยออกชื่อเลยอยู่ที่ไหนอะมาต้องสามเที่ยแวแหละอย่าคนนี้มาเที่ยวลายเที่ยวดานนินทาแม่ผัวทุกทีเนี่ยต่อไปให้มีลุกตะไพน์ลุกตะไพมันจะได้ด่าวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพวกหน้ากรรมฐานเนี่ยใบชายชว่ามาแก้ปัญหาได้ทุกคนมาสร้างปัญหาให้ก็มีเี่ยถ้า ท, าทําตามที่จะมาที่แจงสแสดงขัน ท่านจะไม่มีปัญหาจะไม่มีเรื่องเรามาปฏิบัติถึงหัวใจประสาทนาเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาด้วยกันทุกคนถ้าทุกคนนานาปัญหาปัญหาไม่เหมือนกันปัญหาคนละอย่างเช่นนั้นแต่แล้วก็จะไปหาหมอดูผีข้าวจะทรงไม่ใหญ่หรใครเป็นเจ้าของปัญหาคนนั้นต้องแก้เองเราเตอเข้าใจนี่ไหมเราเป็นเจ้าของปัญหาไปให้คนอื่นมาแก้คนอื่นมันจะรู้ไหม ฮะคนอื่นมาแก้ปัญหาดอกเตยได้ไหมใครต้แก้ได้ไม่ใช่ดอกเตยดอกแก้วเองดมีบางคนมาบ่นสองพ่อค่ะสามีมันไม่รักฉันเลยตแต่ได้กันมาไม่รักกันเลยยังแต่ได้เลยใช่เหรอนจ้าไม่รู้ดีคนห้าโอ้ไม่รักกันดมีลูกได้ไม่รักกันมีลูกได้มีได้ไหมไม่รักกันเนี่ย ละตามาไม่เคยไม่รู้เรื่องหรอกไม่รักกันมัมีลูกได้ไหมด็อกเตอร์ตับอ๋อเพราะว่าด็อกตเตอร์เค้าไม่เคยมีครอบครัวเค้าจึงไม่รู้นะยังโสดนี่ยังโสดนี่ยังไม่รู้อเนาะตมาที่รู้ตามามีแฟนเยอะแต่บัดนี้ถ้าจะทนหมดแล้ว ให้ทานไปหมดแล้วแล้วยงผู้หญิงเนี่ยทำใจอย่างอาตมามีพระราชสวามีก็แท้ทานไปบ้างสิใครชอบก็ให้ทานไปบ้างอย่าไปหึงไปหวงสิเอาบุญใหกันหน่อยไ่้ไหมมานอกกรรมฐ า, านัปให้มันตกสิหนูทำได้ไหมได้นะโมตนาด้วย ได้เฉพราะตรงนี้ได้จะพาะตรงนี้จะกลับไปแล้วคงไม่ได้มีเหตุผลที่น่าฟังไม่จะพูดเล่นเล่นกันนะนี่ข้อเท จ, จริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำสั่งที่เป็นข้อบังคับหรือวินัยการสอนแปลว่าธรรมะก็คือมาจากกรรมฐานทั้งหมดถ้าเรากำหนดกรรมฐานจเจริญสติปัฏฐานสื่อได้ท่านจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเข้าถึงซึ่งใจท่านจะไปดี ถ้านจะมีชัดเจนท่านจะมีชัจเจนแล้วท่านจะรู้การยุรู้หน้าที่งานการกุศลของท่านชัดเจนในคนสั่งเป็นข้อบังคับอย่างที่กล่าวเรียกขังตัวได้แก่ทวินัยเทียบได้กับกฎหมายของบ้านเมืองถ้าไม่ทําตามก็จะมีโทษเช่นครูสั่งนักเรียนทําการบ้านนี่รือตัวอย่างถ้านักเรียนไม่ทำครูย่อมลงโทษคําสอนนี้เป็นคําแนะนํา ได้แก่ท่าธรรมเทียบได้กับคำชักชวนของรัฐบาลหรือคำแนะนำของครูเช่นแนะนำให้นักเรียนอาบน้ำชำระร่างกายสะอาดถ้านักเรียนไม่ทําตามร่างกายก็หมักห ม, มด้วยเหงื่อใครไม่สะอาดอาจเกิดโรคได้ <c oughs> ก็เป็นท่อแก่ตัวของของผู้นั้นเองเมือเ่อรวมกันทั้งสองคำทั้งคาสั่งและคาสอน ก็เรียกว่าคำสั่งสอนได้ได้แก่อะไรอันได้แก่พระธรรมวินัยที่กล่าวอย่างขั้นนั่นเองพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้บุคคลรู้จักตัวเองคือบังคับตัวเองได้รู้จักสอนตัวเองคือคําแนะนําตัวเองได้รวมความว่าสั่งสอนให้รู้จักปกครองตนเองดังพุทธภาจิตว่าจงเตือนตนด้วยตนของตนเองชืก็คือกรรมฐาน โรดได้ฟังคํานี้ให้ได้เพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้จริงๆให้เรารู้จักตัวเองมามองดูตัวเองไม่ใช่ไปมองดูพ่อผัวแม่ผัวลูกสะพ้าอย่างที่กล่าวแล้วมองดูตัวเองตัางหากและบังคับตัวเองด้วยการกําหนดจิตเป็นการบังคับตัวเองว่าอย่าได้ทําอยาโกรธเขเลยโกรธเนอะโกรธเนาะขี้นายลิ้นเป กำหนดไปช้ชาช้บาบังคับอยา่าโลรธธรรมะข่มจิตใช้ชีวิตขม่มใจอย่าจิตใจไหลสู่ที่ตามไปโกรธเขาทำไมเล่าตัวเองโกดรู้ได้รู้จักสอนตัวเองคือแนะนำตัวเองได้อย่างนี้รวมความว่าสั่งสอนให้รู้จักปกครองตนเองดังคุณจตาสิทธ์ที่บัดเตือนตนของตน ตนเองให้พ้นผิด ต, ตอนเตือนผิดได้ใครจะเหมือนตนเตือนตรงตอนได้ใครจะใครจะเตือนเตือนตนตอนชังตอนไม่ได้ใครจะเตือนตอ น, ต น, ต น, ตตนเตือนเตือนตอ น, ตอ น, ตอ น, ตอนให้พ้นผ่านบอกก็าชัดเจนอย่างเพราะฉะนั่งจงพิจารณาดูตนเองนะการพิจารณาตนเองก็คือการกําหนดจิตให้มีสติอยู่กับตัวเองเสียใจ ก็จงพิจารณาตนเองด้วยการมีสติอยู่ที่ลิ้นปี่หายใจยาวๆตั้งแต่ตะ ม, มูถึงสะดือเสียใจหนอเสียใจหนอถ้าถึงจิตถึงหัวใจศักนาความเสียใจนั้นก็หายวับไปกับตาความดีใจมาแทนที่ไม่น่าจะเสียใจให้เสียสมองลอยไปตามโภตาของเขาอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียด อย่าไปเครียดสมองไปเสียใจทำไมเล่าสร้างความดีต่อไปเถิดประสริฐที่สุดมันจะบอกเอ็มนี่พิจารณาตัวเองอย่างนี้เรียกวิาจารมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าถึงบิ ด, ดามารดาคนาญาครูอมาร์ตมิตรบุตรสุดสงสารคอยเตือนเราชาวข้ามประจาําการ หรือจะปาลมตัวเราเฝ้าเตือนต้นการกําหนดกรรมฐานเป็นการเฝ้าเตือนต้นโกรธหนอโกรธหนอดีใจหนอว่าเขาเอาเงินมาให้หนออ๋อสติบอกว่าอย่าดีใจเขาไม่เอามาให้เงินเขาไม่ได้เอามาให้เราจะได้ตรงตอกว่าไม่ได้ก็ไม่เสียใจ เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นใหม่มันก็สบายจิตสบายใจนี่ยแต่ทั้งหลายโปรดจาข้ออันนี้ไว้ไดะมีความหมายเฝ้าเตือนตนก็คือการกำหนดกรรมฐานเป็นการเฝ้าตัวเองและเตือนตัวเองอย่าไม่ต้องไปเตือนคนอื่นเขาหรอกเตือนคนอื่นเขาไม่ช่วยเหลือเราหร อ, อกไม่มีอะไรเข้าเตือนตนตที่ตะมากราวและจะเป็นบุตริดาบิดามันดา คอยเตือนเราชาวข้าประจําการหรือจะปานตัวเราเฝ้าเตือนต้นไม่มหนีอีกแล้วนอกเหนือตัวของตัวเองที่จะเตืเอนตัวเองนี่คือกรรมฐานใช่ไหมนี่แหละหัวใจภาษศาสนาอยู่ที่จิตของเราหัวใจเรามีศาสนาอยู่ประจําจิตประจําทิศประจําทางประจาําม่านประจําเมืองไม่ละคายเ ค, คเรื่งแทมเห็นจะคิดเราสามารถแผงนี้กลายเพศเป็นเศษสีได้ฉะนั้น เมื่อผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวิไไนัยได้ตั้งสติปัญญาสีได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าสั่งสอนตนเองได้สั่งสอนตัวเองได้แล้วและได้ชื่อว่าเข้าถึงพระธรรมวิไไนัยแล้วอีกด้วยไม่ใช่ถึงแต่เพียงเปลือกหรือระพีเท่านั้นถึงแก่แก่แท้พระพุทธศาสนาเรียกว่าหุ่นใจแท้ เนื้อแท้ของประสาทศาสนาคือกรรมฐ า, านไม่ใช่ไปฟังพระเทศและเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าไปรับศีลกับพระที่มีเครื่องรางของขลังและเป็นคนดีได้ไม่ใช่หมายความว่าไปลดน้ำมนต์และเป็นคนดีได้ไม่ใช่หมายความว่าไปลงนะหน้าหท้องเป่าหัวและขยนันเรียนหนังสือได้ไม่ใช่เลยน่าสงสารคนประเภทนี้ยังมีอยู่มากลายน่าจะช่วยตัวเอง ถึงตัวเองสอนตัวเองในจุดมุ่งหมายอันนั้นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีมากมายถึงแปด0มืนสี่พันธรมขันดังกล่าวแล้วแต่ว่าคำสั่งสอนที่เป็นส่วนสาคัญของพระพุทธศาสนาคงมีอยู่สามประการดังกล่าวสิ่นเดยมีเท่านั้นเองสพัพ ป, ปาปะสะกร ะ, ะละัง สั่งสอนไม่ให้ทําความชั่วทุกอย่างนี่ชัดสองกุศกุกุศลสันรักสูประสัมภาสั่งสอนให้กระทําความดีให้เสมบูรแบบส จ, จิตตาประโยชนปัญญ์สั่งสอนให้ทําใจของตอนให้บริสุทธิ์ตรงนี้อยู่ในกรรมฐานหมดคําสั่งสอนสามข้อนั้นคําสั่งสอนข้อที่หนึง ถือว่าเป็นพระวินัยคําส em. ั่งสอนข้อท eh ี่หนึ่งถือว่าเป็นพระวินัยคําสั่งสอนข้อที่สองถือว่าเป็นทศูดโปรดจำไว้หน่อยถือว่าเป็นทศูรสั่งสอนนี่จะทำความดีสมบูรณ์แปลว่าคือทศูรคําสั่งสอนข้อที่สามสจิตตาประโยชน์ปัญงสั่งสอนนี่ทำใจของตนให้บริสุทธิ์ข้อที่สามคือว่า ถือว่าเป็นพระอภิธรรมถือว่าเป็นพระอภิธรมโจกาหนดโจจาวไว้มีหุ่นใจจะแทๆนี่เนี่ยมาจากกรรมฐานทั้งหมดกอหนึ่งถือว่าพระวินยัยข้อสองถือว่าพระสูตรก่อสามถือว่าพระอภิธรรมชัดเจนแนละ้วยมจะเอาคาว่าบาปก่อหมายถึงความชั่วทุกอย่างเพราะทาให้คนทาบาปต้องตกตา จากความชั่วไม่สูงขึ้นสู่ความดีไม่เจริญขึ้นสู่ความดีชีวิตจะต้องตกตามลงแม้บางคนจะคิดว่าบาปเป็นความดีก็เป็นความดีตามความเข้าใจของคนชั่วไม่เป็นความดีที่แท้เป็นความดีเทียมเหมือนของที่เคลือบของเทียมต่อไป ก็ลอกจนแลเห็นชัดว่าไม่ใช่ของแท้ชุบ ท, ทองทองลอกเห็นของแท้คำว่ากูชอนแปลว่าอะไรคำว่ากูศอนแปลว่าอะไรทุกคนตั้งคําถามเนะถามตัวเองเด้ยวยคําว่ากูศอนแปลว่าอะละอาจจะแปลผ้าปฏิบัติแปลว่าความตั้งใจ ถ้าจะแปลถึงหัวใจภาษาศาสนาแปลว่าฉลาดแปลว่าฉลาดคนที่ตั้งใจเนี่ยเป็นคนฉลาดคนที่ทําอะไรไม่ตั้งใจน่ะคนง่ทําหยิบหยิบยกยะ ย, ย, ยงยงทําตี้นเต้มจั่จั่เนี่ยไอ้คนง้อไม่ตั้งใจทําเพราะฉะนั้นกูสอจึงแปลว่าตั้งใจทํา ทำแล้วก็แปลว่าเป็นผู้ฉลาดก็ทำงานด้วยความฉลาดเฉลียวใช่หรือไม่คิดหนอคิดหนอที่ลิ้นปีนั้นคิดหนอคิดหนอเดี๋ยวเกิดความรู้จริงขึ้นมาก็เป็นคนฉลาดปลาดเปลี่ยงและก็เป็นคนมีความสามารถออกมาชั้นนี้ คนทําความดีชื่อว่าเป็นคนฉลาดคนทําความดีเรียกว่าเป็นคนฉลาดเพราะจะได้รับผลดีตอบแทนคนทําความชั่วชื่อว่าเป็นคนไม่ฉลาดเพราะจะได้รับผลชั่วตอบแทนบางพุทธภาษิตที่ว่าหวานพืชอย่างลายย้อมได้รับผลอย่างนั้นคนทําดีคนทําความดี ก็ยอมได้รับผลดีตอบคนทาความชั่วยอมได้รับผลชั่วตอบคำวิจิก็คือที่เราเรียกกันธรรมดาเป็นธรรมชาติตรงที่เราเรียนว่าคือใจใจก็คือความคิดคนจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่ความคิดหนอคิดหนอผู้ปฏิบัติจงกำหนด เวลาคิดไม่ออกดันเสียไปหาโมาดูน่าจะคิดเองนะน่าจะคิดเองวันนี้จ่ายที่ใบเขาจา่ายจะได้ไม่ต้องไปหาโมาดูคิดเองได้ไหมคนจะดีจะชั่วอยู่ที่ความคิดใช่ไหมถ้าคิดดีก็ต้องทําดีพูดดีเมื่อทำดีพูดดีก็ได้รับผลดีใช่ไหมคือความสุขความเจริญ แต่ถ้าคิดชั่วก็ทําชั่วพูดชั่วได้ก็ได้รับผลชั่วคือความทุกข์ความหยัดหร้อนการทําบา ป, คว า, วาาบาปความชั่วต้องห้ามทุกชนิดการทําบาปความความชั่วต้องห้ามทุกชนิดเพราะความชั่วนั้นของล้อมเหมือนไฟผู้ทำกรรมฐานจะต้องรู้แน่นอนเป็นปจัจจตบัน มันเป็นของร้อนเหมือนไฟแม่น้อยก็ร้อนจึงไม่ควรถูกไฟหรือเหมือนของเหม็นแม้จะเป็นของน้อยก็เหม็นจึงไม่ควรถูกต้อของเหม็นของมากมาจากของน้อยเรืองตารเช่นคนเดิมสุลาครั้งครั้งแรกก็เดิมได้เพียงเล็กๆในน้อย ต่อไปก็ดืมได้มากขึ้นเมื่อดืมมากขึ้นก็ทำความชั่วอย่างอื่นได้อย่างอื่นได้เช่นฆ่าทรัพย์รักทรับก็ได้เป็นต้นการทำความดีก็ค่อยทำไปการเจริญกรรมาฐานเป็นการชรางความดีค่อยเป็นค่อยไปทุกข์กระเบียดนี้ดังที่เก่าแล้ว คนทำความดีย่อมอยากดีมากขึ้นเช่นนักเรียนก็อยากจะเรียนให้สูงสูงขึ้นเป็นข้าราชการก็อยากจะได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงสูงขึ้นดีน้อยแล้วก็อยากดีมากต้องทำใจของตอนให้บริสุทธิ์ก่อ น, น ม, าามือกรรมฐานทำใจสะอาดทำใจให้บริสุทธิ์ เหมือนบ้านคุงโยมใจสะอาดน้ำปลามาเกิดจิตใจสกรปรกสัตว์นรกมาเกิอเที่ยงผอเที่ยงแม่เขาไม่ตกฟากชัดเจนนะเพราะฉะนั้นต้องทําใจเข้ตนให้บริสุทธิก่อนถึงจะเลิกไม่ทําชั่วดะแต่จิตใ จ, ใจยังลามกสกรปรกอยู่มันไม่สามารถจะเลิกความชั่วไม่ทําความชั่วมันจะเลิกไม่ได้ชัดเจนนะและทําความดีได้ไม่มีโอกาสทําความดีได้ ถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์อยู่กราบได้ก็ยังเลิกทําความชั่วไม่ได้ยังทําความดีไม่ได้หรือทําได้ยากคนที่จะดีหรือชั่วก็ อ, อยู่ที่ใจของตัวเองต้องกําหนดที่จิตเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติ ต, ตรงสิ้นอนานรมณ์รับรู้อารมณดาเป็นวานาลมเทปประดุเสียงต้องกําหนดที่ลิ้นปีนะัปฏิร a j ทิ้งไง การทิก็เลิกการไม่ต้องเข้าจุดหัวใจสาสนาแล้วจะไม่ได้อะไรด้วยอย่าไปเอายานที่บกตรงไหนกันเพราะในตัวคนมีใจเป็นใหญ่ในคนเราเนี่ยมีใจิตใจเป็นใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาถ้าใจบริสุทธิ์แล้วกายวาจาใจก็บริสุทธิ์ด้วยดี๋ยวกายวาจาก็ถ้ากายวาจาไม่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ใครจะทำตนเป็นคนใบสุดหรือไม่ใบสุดเป็นเรื่องของตอนเองทั้งสิ้นดังกุทธภาสิที่ว่าทำความชั่วโดยตนเองก็ต้องเศาหมองเลื่อนตนเองจ้ไม่ทำความชั่วก็คงทำได้สามทางการทำก็ทำได้ทั้งสามทางเท่านั้นคือเน้ ทำทางกายเรียกว่ากายสุจริตเช่นไม่ค่าสัดว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของเขาถ้ามีสติจะมาฐานมีสติแล้วจะเป็นอย่างนี้จริงๆไม่จะพฤตเผิลูกเมียเขาและไม่เดมสุรายาเมาก็ามีสติดีอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นสองทำทางวาจาเรียกว่าวัติสุจริต เไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียดไม่พูดค้ายาไม่พูดเท็จเจอหลอกลวงพูดแต่คำจริงพูดแต่คำอ่อนหวานพูดแต่คำให้เกิดความสามาัคคีพูดแต่คำที่มีประโยชน์ต่อกันสามทำทางใจทางจิตใจเรียกว่าโมโนสุจริต เช่นไม่โลบอยากได้ของใครไม่โกรธและปูพยาบาทปองร้ายใครและมีความเห็นอันถูกต้องตามทํานองครองธรรมทุกประการคนไม่ทำความชั่วก็ยังไม่ชื่อว่าทําความดีโดยสมบูรณ์เมื่อไม่ทําความชั่วแล้วก็จะต้องทำความดีด้วยเช่นคนไม่ทําร้ายใครแต่ไม่มีเมตตาจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ในเมื่อตนพอที่จะช่วยเหลือได้คนที่ไม่รักของใครแต่ก็ไม่มีการสงเคราะห์คนที่ควรสงคเคราะห์เช่เห็นคนตกน้ำแม้ช่วยได้ก็ไม่ช่วยเห็นคนอนาถาพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ไม่ช่วยเป็นตน้นคนเช่นนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์ทุกแบบเปรียบเสมือน ถ้วยชามที่สกปรกเมื่อล้างถ้วยชามแล้วแต่ไม่มีของดีๆอะไรมาใส่ล้างถ้วยชามแล้วไม่มีของดีๆอะไรมาใส่ถ้วยชามก็ชื่อว่าถ้วย ช, ชามเปลา่าถ้วยชามเปลา่าเปล่าถ้ามีของดีๆอะไรมาใส่ในถ้วยชามแล้วก็ชื่อว่าถ้วยชามสะอาดด้วย มีของดีอยู่ในถ้วยในชามเลียยหรือเหมือนโรคที่เรารักษาหายแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่แข็งแรงก็ต้องบำรุงร่างกายแข็งแรงด้วยการงดเว้นไม่ทำความชั่วคือว่ามีสิลงเจริญกรรมฐานการทำความดีชื่อว่ามีธรรมรวมเรียกว่าศีลธรรม มีธรรมะไปะจำจิตตั้งชีวิตไปจำธรรมคนดีก็คือคนที่มีศีลธรรมนั่นเองนี่ย่อให้สั้นการทำความดีความชั่วก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจเศร้าหมองไม่กำหนดจิตใจให้ดีก็ต้องทำความชั่วแน่นอนถ้าใจได้สุทิผุดพองก็ต้องทำความดีได้ไม่ยากเลย กายเศ้ามองก็เพราะกิเลสกิเลสคือจึงแปลว่าเครื่องเศามองทางจิตใจกิเลสจึงเรียกว่าเครื่องเาหมองทั้งจิตใจกิเลสที่สาคัญมีอยู่สามประการความโลภความโกรธและความหลงความโลภหมายความว่าอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองความโกรธ หมายความว่าไม่พอใจในเมื่อคนอื่นทำไม่ถูกใจความหลงหมายความว่าไม่รู้จริงเข้าใจพิดไม่รู้จริงเข้าใจผิดทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วยอมทำใจให้สมองก็เป็นเหตุให้ทำผิดพูดผิดและคิดผิดเป็นกายทุจริตวจีทุจริตและมนโนทุจริต ความชั่วถ้าทําแล้วพระพุทธเจา้าสอนให้ละให้เลิกไม่ให้ทําต่อไปปะหานะประทานและสอนให้เราวางความชั่วที่ยังไม่เคยทยําอยาไปทําเข้าวสังวรประทานส่วนความดีนั้นถ้ายังไม่เคยทำํำพระพุทธเจา้าสอนให้ทําขึ้นให้มีขึ้นในตอนภาวนาประทาน ให้มีภาวนาอย่างนี้ถ้าเคยทำความดีมาแล้วก็ให้รักษาความดีนั้นไวอย่าให้เสื่อมสูญไปคือให้ทำอยู่เสมอเสมออนุรักษณาประธานส่วนเรื่องของจิตใจคือความคิดนั้นลรวพุทธเจ้าสอนไวสี่อย่างคือ1นระวังใจไม่กหนัดแนอลมปางอันจะไปที่ตั้ ง, งความกหนัด สองระวังใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความขัดเคืองทําใจให้ให้ดีทําใจให้ดา่าทำใจให้เป็นกุศลวันบุญก็จะเกิดขึ้นกับตนเองตลอดเลยการนี่มีความสำคัญมากต้องทำไม่ได้สามระวังใจไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความหลงสี่ ระวางใจไม่มัวเมาในะอารมณ์อาจะติดตั้งความมัวเมาถ้าระวังจิตใจได้ด่างนี้ตั้งสติกรรมาฐานได้แล้วก็สามารถดับทีเลดับทุกข์ได้ทั้งปวงทุกคนต้องการเป็นคนดีด้วยการทางนั้นใครหนอว่าเป็นคนไม่ดีก็ต้องโกรธเขาว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ต้องโกรธ แม้คนที่มีความเกี่ยวข้องกันกับเราเช่นเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรธิดาเป็นญาติพี่นอ้องและมิจะหายก็ต้องการให้เขาเป็นคนดีแม้ของเราของเราเขาจะเป็นอะไรก็าตามก็ต้องการให้เขาดีแต่การที่ยังเป็นคนดีไม่ได้ตามความต้องการ ก็เพราะจิต ใ, ใจยังตกอยู่ในอัน น, น้าของกิเลสคือความโลภความโกรธและความหลงี่เลสจึงมันบงับงคับให้ทาชั่วพูดชั่วคิดชั่วต้องเป็นคนชั่วไปเลยเป็นคนชั่วไปแต่ถ้าสามารถระวังจิตใจกำหนดกรรมาฐานได้เหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็เป็นคนดีได้ กำหนดจิตได้เท่าถึงถ้าทำได้มีวิจัยประสาทนาเลี้ยมีพระอภิธรรมและการแก้ไขไม่ทําความชั่วให้ทําแต่ความดีก็ต้องแก้ที่จิตใ จ, จเจริญจะกรรมฐานจเจริญส ต, ติปัฏฐานเสียแก่ที่อื่นไม่สาเร็จไปแก้ที่คนอื่นไม่สาเร็จต้องแก้ที่ตัวเอง และจิตใจเป็นใหญ่เป็นประทานในการทําในการพูดเมื่อจิตใจดีก็ทําดีพูดดีเมื่อจิต ใ, ใจชั่วก็ทําชั่วพูดชั่วการแก้ไขจิตใจก็ต้องแก้ด้วยการจเจริญภาวนาจเนานาจริญ ว, วปิปัสสนากรรมฐานเจริญสตตปัฏฐานสี่มีการเดินตรงกล่อม มีการเจริญปุจจิณวัฒนาเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงถืออมติใจั้งตนให้เห็นท่อของเสคือคามเลิกอความโกรธความหลงและเป็นคุณของความไม่โลืไม่โกรธไม่หลงโดยชัดแจ้งเห็นแแเห็นแดงแฉด้วยปัญญาและ จิตใจก็จะสงบนัดถึงขั้นติดพลังถูงกขังสกขยิ่าความสงบไม่มีเละจิตใจก็สงบจากกิเลสด้วยการยึดมั่นในความดีอย่างหนึ่งหนึ่งให้ถึงได้ความดีนั้นก็จะได้เพ่หลักยึดของจิตใจให้เองนเอียงไม่เอ็นเอียงแล้วยันไวไม่ละล้วนลวเลี่ยไร ด้วยอำนาจของที่เลดสืบ ต, ต่อไปสัม้าทุกชนผู้ปฏิบัติธรรม ท, ท้งลายตามหัวใจของพระพุทธศาสน า, า, า, าได้ครบถ้ว น, นคือไม่ทำความทุ่ว์ทำแต่ความดีและทำจุตใจให้บริสุทธิ์ย่อมมีแต่ความสุขกายสุขใจบางคนแม้จะมีที่อยู่ที่กินดีก็ยังไม่เป็นสุขสกินไม่ได้นอนไม่